ป่ามันให้คุณแต่ก็ให้โทษ ด, ด้วยให้คุณก็คือความร่มเย็นป่าดงพงภัยเข้ามาแล้วก็เห็นป่าดงดี<ม>แต่ว่าเรื่องอันตรายมักอันตรายเหมือนกันอันตรายจากต้นไม้แต่ที่สร้างวัดมาเป็นเวลายี่สิบกว่าปี ก็ไม่เคยมีอันตรายสำหรับพระแต่ศาลาอาคารนั้นมีอยู่อาคารคือก็ไม่ถึงกับเสียหายแต่พวกกระเบื้องมีบางทีก็เก่งไม้มันรอยแ ล, ล้วรวมาจากที่ไหนก็ไม่รู้มันลงหลังคาก็เสียหายบ้างแต่ก็ไม่มากแต่ว่าปีหนึ่งก็ต้องเตรียมกระเบื้องไว้หลายแผ่นเหมือนกันเพื่อความ ถ้าเผื่อมันต้มลงมานฝนยังตกอยู่มันก็ต้องรีบขึ้นไปเปลี่ยนถ้าไม่งั้นก็เสียหายของเหมือนกันั้แต่มเมื่อวานนั้นรู้สึกว่าลงเปียงป้างเปียงป้างพอสมควรแต่ไม่มีล ม, มเมื่อวานวัดวัดป่าในถิ่นนี้ก็มีอยู่สองสามวาัดนะที่วัดใหญ่มีวัดป่าภูก้อนแล้วก็วัดป่าบัานเพิ่ม แล้วว่าเนีย ว, วัดป่านาคาน้อยแต่วัดป่านาคาน้อยเป็นวัดอยู่ในที่ลาบถ้าจะว่าว่าอยู่ในที่ลาบก็คือว่าอยู่ในที่ลาบแต่มันก็เป็นโนนเป็นเนินเป็นอะไรอะ่ะพออำเภอนายูงนี่จะให้ที่ลาบเรียบจริงๆหายากก็ต้องเป็นที่เนินแต่ว่าถึงยังไงก็เป็นที่ทํากินเกือบทั้งหมดที่วัดป่านาคําน้อยของของเราเนี่ย พันสมร้อยกว่าไรเป็นที่ทำกินเกือบทั้งหมดแล้วก็มีห้วยน้องคลองบ้างสรุปแล้วก็คือเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแต่พร้อมกันก็เป็นสถานที่อนุอนรักษป์ป่าอนุรักษ์สัตว์ป่าอนุรักษ์สัตว์น้ำในวัดของเรามีปลาในคลองก็มากนะ แล้วก็มีนกเป็ดก็มีนะอยู่ในปา่าถึงจะอยู่ในโดงนี่เชื่อว่าคงจะ ม, มีอะไรก็มีนกเป็ดเหมือนกันนะนกเป็ดท่านละดูหนาวแล้วก็เป็นพันๆเหมือนกันนะมาลงมาลงในวัดแต่ถึงหน้านี้ก็ไม่มากเท่าไหร่แต่มันก็ยังเป็นเชื้ออยู่อยู่เป็นสายของมันมาอนกันแนตะ่ประมาณสักร้อยส0งตัวหน้าแรงหน้าฝนนะแต่ถ้าพอหน้าหนาวแล้วก็ไม่รูวนมาจากไหนเหมือนกันมาลงเปงงน็นฝนะูงเหมือนกันแต่ จากนั้นก็เป็นพวกลิงพวกข่างพวกชนีไก่ปลากระรอกกระแตมันเป็นป่าดงแล้วก็น้ําไม่มีปัญหาสําหรับน้ําสําหรับพกสัตว์เพราะฉะนั้นสัตว์จึงอยู่อาศัยได้แต่พวกอาหารอาหารนี่นก็บางทีก็ได้เสริมให้บ้างสัตว์อาศัยคนคนอาศัยสัตว์ทวนสัตว์อาศัยคนนั่นแหะ โดยมากทางว่าเราไม่ให้ความคุ้มครองมันมันก็หมดจริงๆอ่นะเพราะมนุษย์เป็นพิษเป็นภัยกับสัตว์ออย่างมากงั้นเถอะพอเห็นกันแล้วก็แปลว่ามมไม่ได้แล้ะมีแต่จะกินเขาลูกเดียวอสรุปแล้วก็คือมนุษย์เห็นแก่ตัวสรุปแบบง่ายๆนะมนุษย์เห็นแก่ตัว เวลาตัวเองมีอะไรก็โมยวายขึ้นมาแต่เวลาตัวเองได้เปรียบคนอื่นเงียบได้เปรียบยังไงได้เปรียบสัตว์ทีรักชาน่ะฆ่าปูฆ่าปลาฆ่าสัตว์ทั้งหลายกินเนี่ยเงียบพอสินามิมาครั้งเดียวเท่านั้นอ่ะโมยวายขึ้นมาว่ะเออถ้าจะว่า ถ้าจะว่าพูดแบบตรงไปตรงมาก็จะว่ามนุษย์ไปเห็นแก่ตัวได้ยังไงใช่ไหมเวลาขนปูขนป่าขึ้นมาเต็มรถเต็มเรือไม่เห็นว่าอะไรเวลาเวลาสิ่งมีชิมาข้างเดียวคนตายเป็นพันมวยวายขึ้นขึ้นมามเออแสดงว่ามนุษย์นี่เห็นแก่ตัวนะถ้าพูดแบบตรงไปตรงมาพูดแบบลึกๆว่างั้นแถอะพูดแบบไม่เข้าข้างออกขาว่างั้นถแถอะนั่แนแหละแสดงว่ามนุษย์เห็นแก่ตัว เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าอย่าเห็นแก่ตัวถ้าเห็นแก่ตัวแล้วจะไม่เห็นแก่ใครทั้งหมดเพราะตัวเองมันบังบังคนทั้งหมดก็เลยเห็นแต่แก่ตัวเพราะนั้นโลกสมัยทุกวันนี้มาพิจารณาดูแล้วดูแบบเป็นธรรมมองแบบเป็นธรรม ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องเป็นเครื่องมอง hmm. ถ้าหว่ามองแบบทั่วทั่วไปมันก็มองไม่เห็นเพรมันมืดด้วยกันทั้งหมดถ้าว่าหูของหูหนวกด้วยกันทั้งหมดถ้าตาบอดก็ตาบอดด้วยกันทั้งหมดแต่ถ้ามองแบบพระพุทธเจ้ามองมองแบบศีลแบบธรรมแบบแบบคุณแบบ คุณธรรมแบบศีลธรรมแบบจริยธรรมทมองแบบพระทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะมองเห็นโลกวิลิตมากพอสมควรทุกวั น, น mm hmm. แต่นี่เราไม่ใช่มองเพื่อเรานะคือเอากระจกเงาของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องส่องเป็นเครื่องดูเป็นเครื่องวัดอย่างศีลห้า่างเนี้ยพระพุทธเจ้า มีเครื่องวัดเอาไว้แล้วว่าสินห้าเนี่ยคืออะไรควรทำอย่างไรอันนี้คือกระจกเงาหรือเสน้นบรรทัดถ้าเอาว่ามองตามแนวแถวสินห้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยโลกทั้งโลกก็จะมีความร่มเย็นผาสุขแต่นี้โลกไม่เป็นอย่างนั้นโลกมันแหวกแนวไปจากสินห้าไปเยอะแยะมากมายจนตามไม่ทันทุกวันนี้โดยเฉพาะสื่อต่างๆทุกมุมโลกเขามอง เขาเปิดให้มองเขามองให้ดูเขาเปิดให้ดู เ, เขามาขายายผลให้ดูบางสิ่งบางอย่างในพุทธศาสนาแล้วอะรับไม่ได้เลยเออทำไมโลกถึงก้าวไกลถึงขนาดนี้ทั้งที่ตัวเองว่าความเจริญมีความเจริญก้าวหน้าแต่ทำไมการกระทำความคิดมันคล้ายๆกับสัตยรฉานเข้าไปทุกทีทุกที ทำไมมันเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าหากว่าเอาธรรมของของพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบฉบับหรือว่าเป็นเครื่องกระจกเป็นเส้นบรรทัดแล้วมองมันเป็นลักษณะอย่างนั้นทําไมจึงพูดอย่างนั้นทําไมจึงเหมือนสัตว์รี่ฉานเข้าทุกทีทุกทกีเป็นมนุษย์ต้องมีฮิริคือความละอายอ ต, ตะปะคือความกลัวต่อบาป อันนี้คือความละอายนั่นคืออะไรทุกคนต้องมีวัฒนธรรมมีจริยธรรมมีศีลธรรมประจําใจจะงามไม่ใช่หรอแต่ทุกวันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่โลกของเรานะแต่มันอาจต่อไปอาจจะยั่งเข้ามาในเมืองไทยเราก็ได้เพราะเมืองไทยของเราเปิดอ้าอยู่แล้วรับทุกวัฒนธรรมของโลกอย่างพวกเราเห็นนะ ชีปงชีเปืยไม่ใช่ชีเปือยของอินเดียไม่ใช่นะอะมันเป็นคำว่าศิละปะถ้าเรามองมองดูแล้วเป็นยังไงถ้าเอากระจกเงาของพระเจ้าคําสอนของพุทธศาสนาสอนแล้วเป็นยังไงศิละปะอย่างนั้นดูดูแล้วมันรับไม่ได้ถ้าพูดตามศิละปะของพุทธนะแต่ต่อไปไม่แน่เหมือนกัน เพราะเมืองไทยของเราเปิดรับได้ทุกวัฒนธรรมรับได้ง่ายๆด้วยเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราที่เป็นชาวพุทธควรจะไตรตรองดูให้ดีตามไม่จริงประเทศชาติของเราเราเหมือนกับเป็นเจ้าของบ้านาเหมือนกับแม่ครัวแม่ครัวที่จะปรุงอาหารให้มีรสชาติควรทำยังไง ถ้าหากว่าเราปรุงอาหารของเราประจำอยู่แล้วมีรสชาติดีอยู่แล้วแต่คนอื่นว่าเอาอย่างนั้นดีนะเราก็ลับเอามาใส่เอาอาหารฝรั่งมาใส่บ้างเอาอาหารแขกมาใส่บ้างเอาอะไรมาใส่บ้างในหม้มอแกงนั้นพอที่สุดเป็นยังไงมันทานไม่ได้แลวนั้นเถอะมันเละตุมเป๊ะไปหมดแต่ถ้ า, ากว่าแม่ครัวพูดฉลาด บอกาอาหารตจํานวนเนี่ยใส่อย่างนี้ไม่ได้นะใครเข้าเป็นผู้มีศักดศรีเป็นผู้มีความเห็นคุณในอาหารที่ตัวเองปรุงแต่งถ้าเอาอย่างนี้เข้ามาเนี่เสียนะะถ้าเอาใส่แกงไว้อย่างนี้ออย่างอาหารอีสานใส่แกงไว้ถ้าเอาเนยลงไปใส่เป็นไงเอาอาหารอินเดียลงมาใส่มันก็เสียแหละเสียรสขึ้นมานะ เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้คนในชาติตามไม่จริงน่าจะช่วยกันพิจารณาเหมือนกันนะควรจะปรับปรุงแก้ไขสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็ไม่น่าจะรับเข้ามาสิ่งไหนที่มันดีก็อย่างวางรับเอาเขาเข้ามาปรับปรุงแก้ไขสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็น่าจะช่วยกันเหมือนกับแม่ครัวทาอาหารอย่างนั้นสิ่งไหนที่มันจะเข้ากันได้ แล้วก็ปรับปุงขออาหารให้มันมีรสดีขึ้นแต่สิ่งไหนที่มันเข้าไม่ได้ก็ต้องยืนยันว่าเด็ดทิ้งขาดว่าเข้ามาไม่ได้อาหารประเภทนี้เข้ามา เ, เครื่องปรุงประเภทนี้เข้ามาเสียหายแน่สิ่งเหล่านี้ผู้มีปัญญาทั้งหลายน่าจะคิดนะหลวงพ่อว่านะแต่ก็อย่างว่านั่นแหละโลกทั้งโลกไปนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกกล่าวสอนเอาไว้ โลกใบนี้มันเหมือนกับของของคนเมาเรียกว่าเมื่อก็โรอคนบ้าลักษณะอย่างนั้นแค่ของบ้ายังไงกิเลสตัณหาโรคโกรธหลงเนี่ยทำคนให้หลงไหลมัวเมาอันนี้ก็คือประเภทหนึ่งแล้วงั้นแต่ถ้าจะ เปรียบเทียบเหมือนพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว่ไหมเพราะหารประเภทเดียวที่เป็นผู้บริสุทธิ์เต็มที่มีมาสติมีปัญญาเต็มเปี่ยมไม่ลหลงไหลมัวเมากับสิ่งตั้งหลายทั้งปวงอย่างพระอนาคามีนี่ก็ ย, ยังยังติดอยู่ความหลงยังมีความหลงติดอยู่ยังเป็นบ้าอยู่หน่อยหนึ่งเพราะนั้นพระโสดาบันนี่ยท่านก็ยัง มีราคาโทสะโมหะแต่เบาบางลงรู้ทางหนีทีไ่แต่พุุ้ชนธรรมดาเนี่ยโดยมากมันมืดบางทีลุ่มลุ่มอนๆอนสูงสูงต่ํตาๆำอันนี้แปลว่าถ้าเอาเหล้าเข้าไปเส่ยนาย่งไปใหญ่อีกงั้นปกติก็เป็นบ้าอยู่แล้วถ้าดื่มน้ำเมาเข้าไปอีกก็เย่งบ้าไปใหญ่อีกสิ่งไม่ควรผูดก็ผูดสิ่งไม่ควรทำก็ทำ เพราะมันคิดออกมาแล้วก็พูดไปอย่างงั้นอันนี้แปลว่าเป็นบ้ามันมีหลายระดับโลกใบนี้มันมีหลายระดับบ้ามีหลายระดับหลงมีหลายระดับ <Yeah. S 1> เพราะนั้นท่านปัญญาที่วัดป่าบ้านตาพดพูดคุยกับหลวงพ่อสมัยหลวงพ่อเป็นพระหนุ่มท่านพูดท่านจะเอาคำไหนมาพูดเป็นภาษา ท่นได้ศึกษามาเป็นภาษาฝรั่งเนือเป็นคําพูดของฝรั่งยังไงก็ไม่รู้นะท่านว่าโลกไปเนี่ยเขาว่าเขาว่าโลกไปเนี่เป็นบ้าหมดเป็นบ้าหมดทุกคนมีแตเ่เรากับคุณทนะ่านสองคนค่อยยังชั่วท่านว่านะท่านปัญญามีแตเ่เรากับคุณเขาสองคนค่อยยังชั่ว พอพูดกันรู้เรื่องแต่บางครั้งคุณก็แปลกๆเหมือนกันนะว่างั้นบางครั้งกับคุณก็แปลกๆเหมือนกันนะสรุปแล้วก็คือเป็นดีแต่ดีแต่ตัวคนเดียวว่างั้นเถิดดีแต่ตัวคนเดียวไม่เป็นบ้ากัะ น, นอกนั้นเป็นบ้าหมดเหว่างั้นสรุปแล้วหลวงพ่อให้หลวงพ่อให้อีกบานี้หลวงพ่อว่า ไอ้คนที่ไปวิจารณ์เขาเนี่ยก็เป็นบ้าอีกเหมือนกันนั่นแหละอย่างลุงพ่อไปพูดอย่างนี้ออย่างลุงพ่อไปพูดเนี่ลุงพ่อก็เป็นบ้ากับเขาเหมือนกันไปหาวิจารณ์โลกเขาก็รู้อย่าล่ะโลกมันเป็นอย่างนี้อมันเต็มไปด้วยของจุ่งเหยิงวุ่นวายอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วพระอรหันต์ท่านมองเห็นแล้วไม่มีที่สิ้นสุดโลกใบนี้เพราะฉนั้นท่านจึงยกมือว่าบ่ายบ่ายบ่ายยอมแพ้แล้วไปแล้วไปนิพพานแล้วงั้นเลย ไม่มาขอเวียนไหวตายเกิดอีกแล้วโลกไปในี่ทำไมยุ่งเหยิงวุ่นวายถึงขนาดนี้นี่แหละธรรมะของบุทธศาสนาธรรมะของพระพุทธเจ้ามีหลายระดับเด็กคืให้เพ่งมองให้ดูดูเพื่ออะไรดูเพื่อความเบื่อหน่ายคลายดูเพื่อให้เห็นโทษไม่ใช่ดูถูกเหยียดยำเราเห็นหมาเราจะไปดูถูกเหลียดยาำหมาลังเกียดหมาก็ไม่ได้เพราะมันเกิดมาเป็นหมาอ่ะ คนก็เหมือนกันมันเกิดมาเป็นคนเราก็ต้องรู้เออคนเนี่ยคนดีคนชั่วคนนิสัยดีคนนิสยันนสยเลวครบได้ครบไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาพรุทธเจ้าจึงสอนว่าครบคนดีให้ครบคนดีกัญยาณมิตรให้เลือกครบท่านไม่ให้ให้ครบทุกคนนะให้กัญญาณมิตรตาให้ครบคนประพฤตินิมิตรใที่ดีงามสัมมาชีวิตตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ อย่างอุทานะสัมปทา<ม>ที่ทำไม่เกตดประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบัน4อย่างอุทานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันอรคะสัมปทาด้วยความ อ, อรคะทรัพย์สมบัติจดถาบรรดาศักดิ์ให้รักษาเนี่ยกามยานามิตรเนี่ยคบเพื่อนที่ดีงามสมานชีวิตตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบนะ สรุปแล้วก็คือพระพุทธศาสนาพุทธเจ้าให้ใช้ปัญญาให้ใช้ปัญญาปรับปรุงแก้ไขทำตนให้เป็นคนดีพร้อมกันเขาพยายามสั่งสมบุญคุศลเข้าสู่จิตใจตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกอย่างรู้ตาทาบุญเมื่อวานวันก่อนทำบุญเปิดโลกธาตุบางคนก็มาถามหลวงพ่อว่าคว่าไตรโลกธาตุนั่นคืออะไรไตรแปลว่าสไตรแปลว่า3การมาโลกก็คือโลกมนุษย์ของเรา รู ป, ปรโลกก็คือพวกเทวดาอรู ป, ปรโลกก็คือพวกพรหมกามรมโลกรู ป, ปรโลกอรูปโลกกามรมโลกก็คือโลกของมนุษย์ของเราไม่ใช่ไม่ใช่โรคนะโล ก, นะ โ, ลกโลกคืออยู่เป็นที่อยู่อาศัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพียงแต่เรามองอยู่เฉยๆมนุษย์อย่างเดียวเรามองมนุษย์อย่างเดียวก็มีหลายระดับแล้ว ระดับสูงระดับต่ำการเป็นอยู่การคองชีพยศฐานบรรดาศักดิ์ก็รู้แล้วพอต่อมาแยกอีกคนโง่คนฉลาดอีกต่อมาคนหูหนวกตาบอดคนพิการอีกมีตั้งเยอะแยะในการแยกกลําจำแนกแจกสัตว์มนุษย์เพียงมนุษย์อย่างเดียวก็ดูไม่ดูไม่ครบแล้วว่า ง, งั้นเะอมดูใช่ไนะพวกเราสังเกตเป็นร้อยรัยลนล้านคนเอามาจับมารูใส่กัน มันไม่เหมือนกันเลยเป็นคนเหมือนกันมีครบทุกอย่างแต่มันไม่เหมือนกันทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะกระกรมจำแนกสัตว์ให้เป็นไปในหมดกรรมนี่ละเอียดอ่อนมากจำแนกแจกสัตว์ให้เป็นแปลกแตกต่างกันไงวะกรรมมูนินาวัตตีโลโกโสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทำไว้จากนั้นมาพูดมามาถึ ง, ถ ง, ถงสัตว์ราชานอีกง ช้างมาโบวควายหมูหมาเป็ดไก่ถึงจะเป็นหมูหมาปลาขาไก่ช้างมากระจำแนกอีกไม่เหมือนกันอีกช้างแต่ละตั ว, ตวม้าแต่ละตัวสัตว์แต่ละตั ว, ตวแต่มันอวัยวะเหมือนกันมีแข่งขาโอถโหอะไรครบหมดทุกอย่างแต่มันไม่เหมือนกันมันจ้ำแนกสัตว์อีกนี่แหละจากนั้นก็สัตว์ที่ละนานับประการจนนับไม่ถ้วน การอยู่การกินการเป็นอยู่ก็ แ, แตกต่างกันอีกสึ่งในสัตว์ตเหล่านั้นอันนี้ว่ากรรมมาโลกติดอยู่ในสัตว์ทั้งหลายรูปประโลกก็คือเทวดาเทวดาหลายๆชั้นรูปประโลกก็คือพวกพรหมที่ทําบุญที่เปิดโลกธาตุนีก็คือองค์หลวงตาทําบุญอุทิศส่วนกุศลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อเปรตทั้งหลาย ที่ยังเวียนไหวตายเกิดยังหาที่เกิดไม่ได้ยังบกบุญเวียนอยู่จะไปที่ไหนก็ไปไม่ได้เพราะไม่มีบุญเหมือนกับคนนะพอพ้นจากคุกมาบางคนไปตกนรกพอตกนรกมาแล้วท่นี่ไม่มีเงินใช่ไหมไม่มีทุนเดินโต๊ะโ ต, ต๊เต๋เต๋หายอดญาติาอยู่งั้นทถอะบางคนตายไปแล้วบุญก็ไม่มากบาปก็ไม่มากพอตายไปแล้ว บุญก็ไม่มีบุบาปก็ไม่มีแต่มันรู้จะไปยังไงก็เดินโตโตเต๋อเพื่อหาบุญเพื่อจะได้ไปสู่คุณงามความดีไปสู่ภพภูมิเหมือนกับคนมีเงินนะคนมีเงินจะไปซื้ออะไรก็ได้ใช่ไหนะแต่นี่พอตายไปแล้วบุญก็ไม่มากบาปก็ไม่มากผกพ้นนรกมาแล้วบุญก็ไม่มากบาปก็ไม่มากพอบางคนก็ขึ้นไปสู่สวรรค์พอหมดบุญลงมาจากสวรรค์แล้ว มาอยู่เป็นเปรตเป็นวิญญาณบุญก็ไม่มากบาปก็ไม่มากไม่พอที่จะตกนรกได้เป็นเปรตคอยส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกญาติอยู่ท่นี่นี่แหละพระพุทธที่หลวงตาที่ทําให้ท่านทําบุญเออทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลเด้ให้เปตรตญาติทั้งหลายพวกบุญก็ไม่มากพวกบาปก็ไม่มากเนี่ยเรียกว่าเป็นเปรตเปรตตะวิสยัยเปรตอสุลกายที่คอยรับส่วนบุญส่วนกุศล ถ้าพวกเราได้ทําบุญแล้วกันเหมือนกับเราไปทำํำ<ม>ไปทํามาค้าขายอย่างนั้นหรือไปทํามาค้าขายรวยมาก<ม>ถ้าเปรียดแต่ทัก ง, ง่ายๆก็คือไปซื้อหวยรัฐบาลติดรางวัลที่หนึ่งมาอย่างนี้นะพอมาเสียเน่ะเออญาติเ อ, อ้พวกข้าจะแบ่งทุนให้เออวันนี้นะนั่นแหละพวกญาติพวกเปรดทั้งหลายญาติทั้งหลายก็ลุ่มมาแล้วก็แจกแจกแจกให้ในเมื่อเขาได้เงินแล้วเขาก็ ไปตั้งตนตั้งตัวทำมาค้าขายไปตามภพภูมิของเขาที่เขาบุญกุศลที่จะส่งถึงเขาได้ไปถึงได้อันนี้แหละอันนี้ก็คือการอุทิศส่วนกุศลแต่ถ้าว่าวิญญาณพ่อแม่พี่น้องของเราตายปุ๊ไปไปสู่สวรรค์ซะไม่ได้รับไปตกนรกซะก็ไม่ได้รับไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไร้ชานิซะก็ไม่ได้รับ ไปเกิดเป็นพรมก็มาได้รับที่เราอุทิศส่วนกุศลไปให้ในเมื่อไม่ได้รับเราอุทิศส่วนกุศลไปให้บุญกุศลน่าจะไปไหนก้องกลับมาหาตัวเองกลับมาหาพวกเราที่อุทิศส่วนกุศลให้เหมือนกับเราส่งของทางไปชนีอย่างนั้นน่ะไปชนีที่ซื่อสัตย์ในเมื่อปลายทางไม่มีใครรับเขาก็ทงส่งมาหากลับมาหาเจ้าของผู้ส่งบุญกุศลก็กลับมาหาตัวเองอย่างเก่าเพราะมีไม่มีใครรับนะ ถ้ามีใครรับแล้วรับบุญกุศลไปนะเขาได้รับส่วนบุญกุศลรับส่วนแบ่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคนาญาติญาติมิตรสหายของเราที่จะมีส่วนนะนี่แหละแต่ถ้าว่าเป็นชาตติยฉานทําไมไม่ได้รับเพราะอาหารของเขาการเป็นอยู่ของเขาอีกแบบนึ่งถ้าเป็นเทวดาไปแล้วเขาจะได้รับอาหารของเขาอย่างมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อาหารมนุษย์อย่างแต่พวกเปรต สองจำพวกมีเปรตอสุรกายเปรตวิสัยพวกนี้เราล่องรอยที่จะต้องได้รับบุญกุศลแต่ถ้าว่าเรามั่นใจแม้ว่าเราไม่มีญาติประเภทอย่างนั้นไม่มีใครยืนยันได้เพราะเราเกิดมาชาติที่แล้วเราก็มีพี่มีน้องมีเพื่อนมีฝูงชาติก่อนไปอีกลยชาติก่อนไปอีกละ่ะแต่มีตั้งเยอะแยะตั้งหลายชาติเพราะนั้นต้องมีพบใด้ชาติหนึ่ง ญาติพี่น้องของเราอาจจะตกทุกข์ได้ยากอาจจะเป็นเกติล่องรอยอยู่เพราะนั้นเรามาเกิดในภพนิชาตินี้จะเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบครูบาอาจารย์เราก็ได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ก็ไม่เห็นหนักหนาอะไรที่ตรงไหนทําแล้วเราก็สบายใจทําบุญกุศลเพราะนั้นการสร้างบุญสร้างกุศลนําสุขมาให้เพราะนั้นพวกเราทุกๆคนนะเป็นชาวพุทธที่นอมาจากเมืองการ มาสองแสวงหาบุญถึงวัดหลวงตาได้มาทําบุญกับองค์หลวงตาหลวงพ่อขอขอนมโทนาด้วยเหมือนกันนะะขอให้พวกเราได้บุญกุศลมากๆนี่แหละถึงเราจะมีเงินส่องแสวงหาทรัพย์มีเงินแล้วเรายังเอาเงินมาทําบุญอีกแสดงว่าบุญเนี่ยเหนือกว่าเงินนะคนมีบุญแปลว่ามีหมดทุกอย่างถ้าคนมีเงินแล้วยัง เงินในประวัติของรักของสงวนของคนแหะยังเสียสละมาทำบุญอีกเพื่อต้องการบุญเอาเงินมาซื้อบุญอีกกว่าอนนั้นถ้าคนมีบุญแล้วมีหมดทุกอย่างพวะพวทวุทธเจ้าพระอรหันต์สามพทั้งหลายหลงปู่หลงตาทั้งหลายท่านมีบุญแล้วมีพร้อมทุกอย่างไม่เดือดไม่ร้อนไม่ฝุ่นไม่ไหวไม่กระเสือกกระสนจิตใจเย็นสบายดูก็สบายนั่งอยู่สบายนอนอยู่สบายหลับตื่นจะตายจะอ ย, อยู่ท่านสบายทั้งนั้น เพราะท่านมีบุญแล้วพร้อมหมดทุกอย่างนะหลวงพ่อไน้พูดเสยยืดยาววนนะี้ต่อไปรับพรนะัตนินาอนุโมทนาให้พร